ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องปุริสสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยบุรุษหรือด้วยความเป็นคนก็อยู่ในโกสลสังยุตเช่นเดียวกันที่ต้องการจะนำเสนอพระสูตรที่เกี่ยวกับ พระเจ้าปเนสนีกุศลเพราะว่าเป็นธรรมะที่ส่งสดแสดงแก่คารวะแล้วก็เป็นวิธีชีวิตของสังคมในส่วนต่างๆของโลกแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทุกยุคทุกสมัยคือธรรมะบางสูตรนี่มันยากเป็นการพูดถึงระดับปรมาตารธรรม แต่ว่าเวลาทรงแสดงแก่พระเจ้าปเสนีกสถนั้นจะเห็นว่าเป็นวิถีสังคมเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงแก่ธนานาธิบินัยากาเสถีหรือว่านางวิสาขาส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะระดับวิถีสังคมในวทสูตรนี้เป็นคำกราบทูลถามอี่เช่นเคย โดยกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำกี่อย่างเมื่อบังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายพระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงถึงธรรมะสามข้อก็คืออกุศลมูล คือรากงาวของบาปของอกุศลจนทางฟังจะสังเกตได้ว่าพระสูตรทั้งหมดที่รับสั่งแก่พระเจ้าพระเ ศ, ศนอกุศลนั้นเป็นเรื่องระดับธรรมจุริยาหรือว่าระดับของจริยธรรมแม้จะมีการเน้นที่อกุศลลมูลสามข้อคือโลภะตุศมาโมหะ เดียวก็เป็นการพูดระดับศีลธรรมจัญญาคือไม่ถึงกับไปดับเพราะว่าการดับกิเลสประเภทที่เป็นรากง่าของอกุศลหลนี้ได้เนี่ยมันเป็นการบิบัติระดับอริยมรรคอริยผลคือหมายความมาเริ่มดับได้ตั้งแต่ประสูดบันขึ้นไป แล้วกระดับมาโดยลำดับแต่ตัวโมหะเองนั้นจ ะ, ะดับได้ก็ต่อเมื่อบรรุมคผลเป็นประโสดบันไม่ใช่พระอระหันต์แม้แต่กิเลสประเภทโลภะนะฮะก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ในระดับที่ละเอียดเพราะว่าสังโยชน้าข้อสุดท้ายได้อย่างรูปปรยังมีรูปป ร, ราคะาอรูปประราคาอยู่ คือหมายความว่าเป็นอาการของจิตที่มีความกำหนัดในรูปปัจจานและอรูประชานคือในกรณีที่นะฮะในกรณีที่พูดถึงระดับพระยะบุคคลพระรูปป ร, ราคา้าอรูปป ร, ราคะนั้นก็สรุปอ ร, รูปธรรมนามธรรมนะะก็ในแง่ของความเป็นจริงก็ครอบคลุมโลกต้องบวงอว้ด้วยกัน รูปธรรมย่อหมายรวมถึงวัตถุกรรมทั้งหลายที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็คือได้แก่รูปเสียงกลินนรสพระส่วนอรูปราคาก็คือความกำหนัดในสุขเวทนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นโดยระดับไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงรูปฌานและอรูปฌานเพราะการพูดระดับนี้จึงเป็นพูดระดับ ที่เรียกว่าสำรวมระวังมันก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องของสุจริตทุจริตเรื่องกุศลกบดอกุศลกบฏ ห, หรือแม้แต่เรื่องขี้เกียจกับยันหรือเชนว่าการบูชายันนั้นที่จริงก็เน้นไปเรื่องการมราคะก็คือกิเรประเภทโลภะแต่ว่าเป็นการมราคะชีดแรงจนถึงกับ วางแผนฆ่าสามีเอ้ยพระฆ่าสามีเพื่อแย่งชิงพันยามาครอบครองแต่ก็ดีที่ได้เกิดเหตุการณ์คือได้ยินเสียงผูสัตว์นรกสะกนแล้วก็ได้ทราบความจริงจากพระพุทธเจา้าก็จึงเปลี่ยนทยัศนกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะ พูดอะไรก็เจอเมื่อนั้นนั่นนะคืออาจารที่บอกว่าในกรณีที่ทรงแสดงแก่ชาวบ้านจะสรงใช้คมโลภะโทุศมโมหะในกรณีที่ทรงแสดงแก่พระจะทรงใช้คำราคะโทสะมโมหะมาความว่าข้อแรกนี่จะเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนโดยภาษาแล้วก็จุดเน้นแต่ว่าไม่เปลี่ยนโดยเนื้อหา เพราะกิเลสประเภทราคะกับกิเลสประเภทโลภะเนี่ยราคะแปลว่าความกำหนัดรักใคร่พอใจยินดีจนถึงต้องการปรารถนาไขว้เพื่อได้มาครอบครองแต่ต้องการความเป็นเจ้าครอบจุก ข, ของและถ้าหากว่าไม่ได้ตามที่ตนต้องการก็เกิดโทสะโลภะก็มีลักษณะอย่างนั้น เต็งความรู้สึกต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในสิ่งที่ใจตนกําหนดว่าน่าใครหน่าปรารถ น, า, นาพอใจคือสรุปว่าทั้งสองฝ่ายนิกิเลตเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาตัวเองแล้วก็มักจะวิ่งไปหาเพื่อได้สิ่งเดอา์นั้นมาครอบครองมีเป็นนันมากที่จะต้องเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตราย จะถึงแก่ชีวิตมันเป็นวิถีสังคมจริงๆแล้วก็มีอยู่ทุกส่วนของโลกรียกตัวอย่างว่าโปละครโทรทัศน์พวกนวนิยายต่างๆที่ชาวบ้านเขากีดเขียนขึ้นเนี่ยคือถ้าเรามองโดยเนื้อหาสาระแล้วก็มุ่งจะตอบสนองราคะโูภะโทสะโมห oh ะ แล้การของราคากะกัลปะเนี่ยมันก็มีโมหะเข้มข้นเออเราอาจจะกล่าวได้ว่าทุกเรื่องเลยจะมีการที่ผู้หญิงแย่งผู้ชายกันหรือผู้ชายแย่งผู้หญิงกันคือแสดงมันไม่ต่างอะไรกับเรื่องรัามเกียรติไม่ต่างอะไรกับเรื่องขุนช้างขุนแผนไม่ต่างอะไรกับเรื่องอินหนาว ไม่ต่างอะไรกับเรื่องจักจักรวงๆวงวงทั้งหลายเนี่ยเพราะสัตว์โลกที่จริงมันก็เป็นสัตว์โลกระดับกามาวาจเจรภูมิจิตใจก็มมกบุนวุ่นวายอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละ ว, วัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยจะเรเจร็นว่าตัววัตถุนั้นมันเกิดขึ้นจากการปรุงหรือปรุงคิดคิดปรุงของคนเรวเอง อย่างที่เคยบอกไว้ว่าจริงๆเนี่ยรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องไม่มีอยู่อย่างสากลแต่ไม่อยู่ด้วยการปรุงแต่งภายในใจของบุคคลเหล่านั้นซึ่งมันผิดกแก่จะตายแก่จะตายนั้นทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้อ ง, องพลัดพรากสูญเสียนั้นมีอยู่อย่างสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกิดแก่ตายเนี่ยมีอยู่อย่างสากล ค, คือหมายความว่าสรรพชีวิตที่เกิดมาต้องแก่แล้วก็ต้องตายจากช่วงเกิดถึงถึงตายจะมีการพลัดพรากสูญเสียจะมีการได้มาจะมีการเสียไปนะตามปกติก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสเหล่านี้ ยัที่ก็เบิกไว้ว่ากิเลสทั้งสามกองนั้นโลภเป็นกิเลสประเภทสร้างคือหมายความว่าเมื่อต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแล้วเนี่ยก็จะมีการขขวยคว้ า, วาปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นท่านจึงอธิบายลักษณะว่าโลภมีลักษณะละโมบคืออยากได้โทสะมีลักษณะขัดเคืองคือไม่พอใจ โกรธหงุดหงิดรำคาญอาฆาตพยาบาทอะไรก็แล้วแต่มันจะแรงขนาดไหนมัหะมีลักษณะลุ่มลงพ้นพวกเล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรากำกับควบคุมไม่อยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นเรายกตัว อ, อย่างว่าว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในส่วนต่างๆของโลกไม่ว่าจะบ้านเมืองใดก็ตามนะฮะ เมื่ออาการของราคาโะโลภโทสะโมหะแรงจนขาดการกากับควบคุมมันจะเกิดระดับที่เรียกว่าเจลาจนมีการต่อสู้เข็นฆ่าทำลายล้างกันจนสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายหลายกอเพิ่นมาตรการในทางโลกเนี่ยมันเป็นมาตรการที่จะบรรเทาความรุนแรงของกิเลสทั้งสามกองนี้แหละ ปัายากกรรมทั้งหลายมันก็มาจากกิเลสสามกองนี้แหละแต่ยกตัวอย่างในกรณีของการบังคับใช้กฎหมายที่จริงถ้าคนเขาสามารถกากับควบคุมราคะโลภโทสะโมหะได้เนี่ยกฎหมายไม่มีความจำเป็นอะไรเลยประการระเบิดกฎหมายคือการลุอมอำนาจแก่กิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งหรืออจจะหลายข้อนะฮะ เพราะว่าพวกนี้มันเกิดหนุนเนื่องกันไปได้ในขณะที่ยินดีก็มีความยินร้ายเกิดขึ้นแทรกซ้อนได้ดังนั้นกฎหมายจึงมีลักษณะที่ถือว่าแรงที่สุดก็คือภาวะฉุกเฉินทีนี้พอภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะบางครั้งบางคราว มนุษย์นี่จะลืมสัญชาตญาณของมนุษย์แต่ว่าไปสู่สัญชาตญาณแบบสัตว์อย่างเห ก, การที่เคยเกิดในสหรัฐอเมริกาหลายปีมาแล้วที่ก็บอกว่าเมื่อนิวยอร์กไฟดับทุกคนกลายเป็นโจรอาิจากรรมเกิดขึ้นเลิกพูดเลยเอ า, เาไรไม่ต้องทรับ่ บางทีตำรวจนั่นเองก็กลายเป็นโจรไปด้วยหรือแม้แต่เราดูตัวอย่างที่อเมริกาก็มีข่าวไปบ่อยนะเช่นเปิดโอกาสให้ซื้อเครื่องอะไรละ่ะชุดแต่งงานราคาถูกสุภาพสตรีหน้าตาดีๆเนี่ยโอ้ไปวิ่งกันอุตลุดไปหมดเลยเป็นภาพของโลภโมหะเอาไปทำอะไรมากมายกลายกางอยงกันะ มันให้ันตอไม่ได้เพราะว่ามันมีลักษณะรุ่มลงมันโลภแต่มันมีโมหะอยู่ด้วยราคะมันก็มีโมหะอยู่ด้วยโทสะมันก็มีโมหะอยู่ด้วยและอาการเหล่านี้เราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่เราให้คำตอบแก่ตัวเองไม่ได้ว่าทาไม่ทาอะไรเพราะว่าสิ่งที่ได้เนี่ยไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปเลย แต่ว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นลักษณะอารมณ์แล้วก็ส่วนใหญ่นะ่ะคือจะออกมาในรูปของสัญชาตญาณดิบเพราะยังไงมนุษย์มันก็อยู่ในป่ามาก่อนนะมันก็มีเลือดป่าอยู่ก่อนเนะี่ยตรงนี้ย่อพร้อมที่จะแสดงออกเพราะการฝึกปรืออบรมมนุษย์เนี่ยต้องฝึกปรือเรื่อยนะ ไม่จะเอาจะพอช่วงในช่วงหนึ่งแต่ว่าสังคมเราเนี่ยเราจะไปฝึกปรือตอนถือเป็นเด็กเท่านั้นเด็กแล้วก็ฝึกน้อยด้วยความคิดทางการศึกษาในปัจจุบันนั้นจะไม่ค่อยเน้นที่ตัวความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมแต่จะไปเน้นในทางความเป็นผู้เลิศทางวิชาการผลความความรู้มากเนี่ยมันยิ่งมีปัญหา คือสีค่อนข้างเทาๆจะมีเสียงซุบซิบอยู่ข้างหลังที่เกี่ยวกับเรื่องเงินที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสพติดเกืเอบจะทั้งหมดจะต้องมีสีข้อนี้ยอยู่เพียงแต่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วถามถามว่าอาการเหล่านั้นคืออะไรอาการของโลภะกับโมหะจำความเคยสังเกตไหมโดชีวิตชีวิตของผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเนี่ยถ้าเกิดปัญหาพระมัวในเกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับสิ่งเสพติดแล้วเกี่ยวกับการประกอบอาชีพชีพไม่ชัดเจนนะ คนนี้จะกลายเป็นที่เครือบแคลงสงสัยรังเกียจใจของคนทั้งหลายถ้าเป็นพระจบสิทธกันเลยพระเรานี่ถ้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงกับเรื่องเงินนะเงินเงินทองทองเนะี่ยผู้หญิงกันไปดับหนึ่งฮะผู้หญิงนี่หมดสภาพเลยนะหมายความพระรูปใดก็าตามที่โดนโจดเรื่องผู้หญิงแล้วก็มีเข้าพอสมควรเนี่ย ถึงอยู่กับเมองอยู่ยากเขาเรียกว่าเป็นพรหมจันท ร, ร์ที่ประพฤติด้วยความรังเกียจใจด้วยความแหนงใจด้วยความตะกิตตะขวงใจ เ, เรื่องเงินก็จะมีลักษณะเช่นเดีวยวกันพระเจ้าทรงแสดงว่าพระจานทร์พระอาทิตย์จะเ้าหมองไปด้วยเหตุสี่ประการคือหมอกควันทุลีและจันทรุปราคาสรุปราคา เพรนกพิกษุที่จริงก็คือคนน่ยนะก็ต้องสแสดงว่าภิกพิสจนี่จะเ่ร้หมองไปด้เหตุสประการเหมือนกั น, นคือหนึ่งเรื่องตรีสองเรื่องเงินตราสามเรื่องสิ่งเสพติดแล้วก็สี่เรื่องการได้มาถึงปัใจจัยในการครองชีวิตเราเรียกร้องความบริสุทธิธรรมเราเรียกร้องความโปร่งใส แต่ตามปกติแล้วคนไม่ค่อยมองตรวจสอบที่ตัวเองเนอะฮะก็ปัญยาไปจะพิสูจน์คนอื่นว่ามีความโปร่งใสไหมแต่ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองน่ะโปร่งใสหรือเปล่าบริสุทธิยุติธรรมหรือเปล่าสมมติว่าเราจะเอาเกณฑ์คําว่าเสียภาษีถูกปต้องหรือไม่เนี่ยเข้ามาเป็นเกณฑ์จับคือการเสียภาษีไม่ถูกต้องนั้นเป็นอาการของโลภะกับโมหะ เ็นหนเป็นอาการกิเลเพราะว่าอยากได้ในส่วนที่ตัวเองไม่ควรได้โดยไม่เข้าใจวันนี้คือภารกิจเป็นพันธกิจที่รัฐราษฎรจะต้องมีต่อมาตุภูิของตัวเองโดยการไม่ปิดบังซ่อนเร้นภาษีที่ตนจะต้องเสียตามเหมาะสม แต่ตรง น, นี้เราจะเห็นว่าเรามีการจะให้ตรวจสอบคนนั้นคนนี้คนโน้นคือถ้าจะตรวจสอบในมิติของกฎหมายนั้นต้องตรวจสอบตามอายุความของกฎหมายเหล่านั้นหมายความว่าย้อนหลังไปเท่าไหร่ล่ะอาญากฎหมายอาญาเท่าไหร่ยี่สปีก็ต้องย้อนไปยี่สิบปีมาเช็คบิณให้หมดเลยอดีตรัฐมนตรีเนี่ยแม้แต่คนที่ตายไปแล้วเนี่ย ก็ต้องเอามาสวดให้ได้ดัง น, นั้นจึงเรียกว่ายุติธรรมแต่เลือกจอเจาะเฉพาะสวดมันก็ไม่ยุติธรรมอะ่ะเพราะว่าไอนน้ข้อกล่าวหานี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาสากลเดี๋ยเราเลือกปฏิบัติเลือกฉกเอาทีละตัวแต่ตวัวมันก็ไม่ได้ก่ อ, อนยุติธรรมจึงพูดยากเป็นอะไรเป็นอาการของโทสะกับโมหะอ้าวคุณพูดเรื่องมาตรฐานกฎหมายนี่นะ มาฐานกฎหมายมันเป็นอย่างนี้คลายๆกับพระตกยุงตายเนี่ยไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามเธอต้องอาบัติปาจิตีแหละอันนี้คือมาตรฐานมันไม่ใช่ตาพระผู้ใหญ่ตกแล้วก็ไม่เป็นอาบัติตาพระใหม่ตบแล้วก็เป็นอาบัติไม่ใช่อย่างงั้นเพราะกฎหมายมันต้องบังคับใช้ในลักษณะนั้นเพราะจริงๆแล้วกฎหมายก็คือ กฎที่เลือกปฏิบัติไม่ได้เล่นไว้แต่ระเบียบกติกาขององค์กรต่างๆเช่นว่าวินัยทหารวินัยตำรวจจัญญาแพทย์จัญญาครูอะไรต่างๆเนี่ยมันนี่เรื่องเฉพาะกลุ่มมันเป็นกฎเป็นกติกาแต่มันไม่ใช่กฎหมายถือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าวินยัยวินัยของของข้าราชการ แต่ทั้งหมดอราวเจนว่เป็นอาการของกิกเลสเพราะงั้นผู้เจ้าจึงรับสั่งยํานะฮะว่าอาบาพิธทำสามอย่างนี้แลเมื่อบังเกิดขึ้นภายในของบุคคลย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สําราญกิจลือนะฮะพระเจ้าประเรสริฐกุศลถามผลที่มันมันไม่มีทางที่จะ ที่จะพูดเป็นอย่างอื่นนะฮะเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยคือไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์แล้วความอยู่ไม่สบายก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์มันก็ต้องมาจากสมุทยัยและโลภะโทสะโมหะนี้ก็คือตัวสมุทยัยแต่บางอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าตัณหาสามนะใช่ตัณหาสามนั่นแหละก็คือกิเลสานี่แหละ การมาตัิหากับภาวะตัณหาก็คือโลภะการาคา่าแต่ในตรงนั้นแหละมันมีโมหะอยู่ด้วยในขณะเดียวกันวิปวะตัณหามันก็เป็นโทสะมันก็มีโมหะอยู่ด้วยแล้วก็มีโลภะแฝงนะฮะเราจะเห็นว่าคือการที่ไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอีกอย่างหนึ่ง ตกลงว่ากิเลสเนี่ยมันมันมันพูดเป็นขนาดขนาดที่ยิบลงมานับไม่ทันแล้คือบางทีที่เราไปนับให้มันเครียดคือเรานับในสิ่งที่เรานับไม่ได้คือสภาพจิตอย่างนั้นมันป้องจิตที่ผ่านสมาธิจิตไปแล้วมีปัญญาสว่างโพรง่งอยู่ภายในจิตแล้วจึงดู ร, รู้ระดับจิตกระดาษนั้นได้เนี่ยเดี๋วพูดถงว่า ขนาจิตแต่ละขณะในแสนโกขนดขณะเนี้ยเราจะนับไหวที่ไหนครัขณะดียันับยังวินาทียังนับไม่ทันเลยทีนี้ก็คือก็คือถ้าเราไปยุคในรายละเอียดอย่างนั้นมันมันมันก็วุ่นนะฮะก็วุ่นคือคือเอาจับหลักๆใหญ่ให้ได้แต่ว่าเราจะลืมว่าการถามอย่างนี้คําตอบต้องออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าจาบใดที่เธอยังมีกิเลสสามตัวนี้อยู่เนี่ย การกระทำจะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างอยู่สบายบ้างอยู่ไม่สบายบ้างก็ตามท้องคนแก่กันี้แต่ทีนี้ถ้าเข้าถึงประโยชน์จริงๆเนี่ยมันต้องดับพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ต ร, รงเนี้ยมันมันจะไปอยู่ที่ร ะ, ระดับปรามัติประโยชน์มันขึ้นอยู่คําถามนะคือท่านถามเรื่องลึกซึ้งเกินไปอย่าลืมว่ากิเลสแก่แทกอยู่ทุก ง, งานเลย จนกว่าจะบรรลุมรุ่ผลเป็นพระอาหารหันต์ไปถ้าเรามองยรทธาภิสิทธรรมจัญญานั้นเราจะเห็นชัดเจนนะว่ากิเลสประเภทราคาคืออะไระคือหลักการครองเรือนแต่ว่าครองอย่างไงอ่ะพระเจ้าทรงแสดงคู่สามีภรรยาไว้เป็นสี่คู่นะจะก็เรียกชื่อแตกต่างกันศพอยู่กับศพอะไรต่ออะไรเนี่ย คือคือเอาชุดนี้ดีกว่าชุด ờ, <า>หนึ่ง <proprio S 1> ก็คือยักษ์อยู่กับยักษินีหมายความพวกนี้ราคะก็จัดโลภะก็จัดโทสะก็จัดโมหะก็จัดแต่มันจัดทั้งคู่อ่ะมันอยู่กันได้เรีว่าสิด้วยกันนี้เขาอยู่กันได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเทพบุตรอยู่ร่วมกับยักษินีหมายความยักษินีเนี่ยมีราคะจัดมีโลภะจัดมีโทสะจัดมีโมหะจัดแต่เทพบุตรเขาไม่จัด เพราะเทพบุตรจะเดือดร้อนเพราะอยู่ร่วมกับยักษินี่เขาเรียกว่าวิสภาพะคือคนมันไม่เสมอการมันอยู่กันไม่ไดอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์มันก็คือกันแหละก็ยักษ์คือมากในราคาโาะโลภะโุสะโมหะแต่ว่าเทพธิดาไม่มากอย่างนั้นเพราะเทพธิดาก็จะเดือดร้อนก็อยู่ไม่ได้มันก็เกิดเป็นสภาพความแตกแยกที่ขาดสมดุลของความ การตอบสนองในเรื่องเพศจะแรงนะฮะปะัญหาเหล่านี้แรงเลื่อนไหวแต่คนคือเราลองสังเกตพระพุทธเจ้าจะไม่ค่อยพูดเรื่องเรื่องเรื่องความรักแต่จะพูดด้วยความเป็นมิตรหมายความสามีพัญญาเนี่ยเธอต้องเป็นกัลยาณมิตรของการในกันเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างแก่เพราะแก่แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คิดหมายเนี่ย คิดว่าหน้าค่ายหน้าปรารถนาหน้าพอใจมันหายไปหมดเลยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสมันมันหายไปหมดแเพะดะงนั้นถ้าเราอยู่ร่วมกันได้ความเป็นมิตรไม่แปลกอะไรคือจะไม่สนใจในเรื่องการตอบสนองในด้านราคาแต่ว่าเป็นความอบอุน่นเป็นความห่วงใยกันเอื้อทอนดูแลกัน ดานการการการลดความเข้มข้นของราคาลงมาก็คือต้องทำตัวเป็นระดับเทพประบุเทพธิดาเพราะอะไรเทพประบุเทพธิดาที่จริงยังเสพกามนะแต่มันประณีตแล้วก็ไม่มีการล่วงละเมิดแต่ซึ่งกันอะไรกันไม่ไม่ถึงกับไปแย่งผู้หญิงกันนะ่นะฮะแต่มนุษย์นี่มันเล่นยากมนุษย์นี่พูดยากนะพูดไปเล่นไป แต่และเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยแก้ไขไม่ไดนะ้อย่างที่ก็ยกตัตยาวเหมือนกับลูกโปง่งกดจุดหนึ่งเอาแฟบลงเอาไปโป่งอีกจุดหนึ่งแก้ไขยากเลยเป็นปัญหาท้าทายท้าทายคนแต่ก็ดีนะฮะคือทำให้มีงานทำ แต่ถ้าทาเหตุผลสติปัญญาของคนกิเลสประเภทโลภานั้นคือคนเราถ้าปรับความสมดุลทาในความกรมราคะให้ให้อยู่ในระดับพอควรคือไม่ถึงกับไมายุ่งเกี่ยวแอ่มายุ่งเกี่ยวก็เป็นชีวิตผรมจรรย์ไปก็ดีไปเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเรื่องครอบครัวมันก็เป็นอย่างนั้นมีการตรอสนองกันอยู่ เพราะ้เราลองสังเกตว่าพระเจ้าจะสอนให้เราอยู่ด้วยเหตุผลสติปัญญามีความสุจริตใจต่อกันมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อกันใเราสังเกตยกตัวอย่างเช่นหน้าที่ของสามียกย่องนับถือสถานะของปัญญานั้นก็คือเมตตากรุณาและก็ปัญญาไม่ดูินนั่นคือเมตตากรุณาไม่นอกใจนั่นคือบริสุทธ มอบความเป็นใหญ่ในฐานะแม่บ้านให้นั้นก็คือเมตตากรุณาและก็ปัญญาแล้วก็ให้เครื่องประดับให้ของขวัญให้อะไรต่างๆในโอกาสที่เหมาะที่ควรก็เป็นเมตตากรุณาในะลงสังเกตนะว่าผู้ชายจะต้องมีความรู้สึกปัญญากับกรุณานี่สูงในขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ย เราเว่าต้องใช้ปัญญากับความมีสุทธิมากตัวแสดงว่าจัดการงานดีนั้นก็คือปัญญา ส, สุขรอบคนขั้นของของัขง้นเคียงของสามีดีนั้นคือเมตตากรุณานะไม่นอกใจสามีก็คือบริสุทธิ์แล้วก็รู้จักบริหารจัด ก, การทรัพย์สมบัติที่สามีหาได้มาก็เป็นปัญญา และขยันไม่เกียรติค้าในการงานทั้งปวงก็เป็นปัญญาแล้วก็บริสุทธิ์เห็นไหม ว, ว่าถ้าเราเอาตรงนี้ท่านเสลุมชนลองสังเกตเอาเอาพุทธคุณเขาจับตัวเดีอะไรก็ได้เราเห็นปัญญาไหมเราเห็นบริสุทธิ์ไหมเราเห็นเมตตากรุณาไหมแต่ต้องเห็นครบสามอย่างนะเห็นครบสามอย่างไม่จะเห็นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเห็นพเพ้อเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จริงเพราะว่า เออธรรมะถ้าเราเทียบเหมือนการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารของเรานั้นนอกจากว่าอาหารจะพร่องไปแล้วในเหตุให้หิวมันลดลงความหิวลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นเป็นกระบวนการไปได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหตุให้หิวหมดความหิวก็หมดความอิ่มก็สมบูรณ์จบเรียลแรงก็เกิดขึ้นติ่ตามมาเห็นไหมเห็นสี่อย่างเห็นหายไปสองอย่างคือเหตุให้หิวก็ตัวความหิว เห็นเพิ่มขึ้นสองอย่างก็คือความอิ่มแล้วกับเปรี่ยวแรงกําลังสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ถ้าเราเห็นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อ่า เ, เช่นสมมติว่าเราถามว่าห้องมืดหรือสว่างถ้าแกบอกว่ามืดนหมายความไม่สว่างคือเราต้รู้ฟังฟังรู้ว่าไม่สว่าง ถ้าเขาบอกสว่างก็คือไม่มืดหรือแม้แต่แกบอกว่าไม่มืดก็คือสว่างหรือว่าบอกว่าไม่สว่างก็คือมืดเห็นไหมบอกยืนยันก็ได้ไปเสกก็ได้แต่เราจะเห็นสองด้านเห็นสองด้านแล้วเห็นต่อเนื่องหมายความว่าถ้ามืดมันก็หาอะไรไม่เห็นถ้าสว่างก็หาอะไรเห็นแล้วก็สามารถปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆในต้นได้ กิเลสประเภทโลภะถ้าโลภแรงเนี่ยก็อันตรายนะบ้านเรานี่โลภเยอะมากเลยตัดไม้ทําลายป่าการรุนแรงเหตุการณ์สองสามปีมานี้เราเห็นว่าน้ำท่วมทางภาคเหนือเนี่ยจนกล่าวได้ว่าซ้ําซากนะฮะภาคอีสานบางจังหวัดก็แรงซ้ํำซากในขณะเดียวกันภาคเหนือก็น้ําท่วมซ้ําซากภาคใต้ก็มีปัญหาซ้ําซากส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้น พระมนุษย์ไม่สามารถกำกับโลภะกับโมหะตัวเองได้ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงอนาคตอย่างยกตัวอย่างเนี่ยจับลูกปลาจับไขป่ปลาจับปลาในกระดูที่มีคายอยู่ในท้องนี่เอามากินกันขายไข่ปลาเป็นแฟชั่นนิยมแสดงถึงรสนิยมสูง กินอาหารมีไขป่ปลาเล่นไขป่ปลาคาวีอะไรแต่ไรต่บินไปกินไข่ปลากั น, กนกโอ้คนมนุษย์นี่ยุ่งจริงๆเลยไ็นโลภะโมหะสัตว์เหล่านั้นเขามีครอบครัวนะก็มีลูกมีเมีย ม, มีพ่อมีแม่มีวงศาคณะญาติไปจับเขามากินรุนแรงเกินไปแต่ว่าแน่นอนแหละเราป้องกันขนาดนั้นมันไม่ได้หรอก แต่ว่าทำยังไงวะตอนเด็กเป็นลูกปลาอยู่เนี่ยหรือว่าตอนที่ปลาเขามีไข่อยู่ในท้องเนี่ยนียก่ก็ดูวางไข่แต่คืออย่าจับมันไม่ถึงกับงดเว้นบรณาธิบาร์แต่อย่างน้อยก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรของมนุษยชาติที่จริงมนุษยชาติโมเมเอานะเขาเกิดด้วยกรรมเขาเองนะเขาอยู่ในกรรมเขาเอง จากโรกนี้ไปโดยกรรมเขาเองเหมือนกับเราเพิ่งแกันพอโลภะมาถึงจุดหนึ่งเ่ถ้าเรามีโมหะมันลดนะคือเราจะเห็นว่าโมหะทุงลดนะโลภะจะลดจะรู้จักอยากได้ในสิ่งที่ควรได้แล้วก็มีกรรมวิธีถูกต้องเพื่อการได้มาในการแสวงหาในการได้มาในการครอบครองในการเป็นพวกใช้สอย นะมีปัญญาจำกับในการบริหารการจัดการปัญญาก็คืออมโมหะก็คือความไม่ลงเมือกลายเป็นเศรษฐกิจแต่นี้เศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราตั้งอัาการรวยมากเกินไปเนี่ยมันก็มีปัญหาต่อสังคมแล้วก็ต่อเศรษฐกิจเองนะหมายความว่าทรัพยากรจะถูกทำลายไปเยอะกระทบต่อธรรมชาติระทบต่อสภาพแวดล้อม แลีวก็ทบตัวดินคว้าอากาศไปหมดนะครับทาลายล้างผลาญกันจริงๆกันนะฮะวันนี้เอามายัางมองดูไอ้เลื่อยยนต์ก็นนี่โอ้มันสยองเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ตัดไม้ต้นนานนะหลายต้นไม้ใหญ่ๆนี่ยก็หลายชั่วโมงกว่าจะตัดตัดได้เนี่ยต่อมาใช้วิธีเลื่อยสองเลื่อยวันนี้คนเดียวเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยพูด ๆ, ๆๆเลยตัดมันโตไม่ทันนะ เพันถ้าถ้าเราลดพวกนี้ลงไปเนี่ยมันเป็นโลกนั่นแหละการมาพบเนี่ยไม่มีทางที่จะไปดับกิเลสได้หรอกระดับกิเลสได้มันเป็นอริยะไปแล้วเป็นโลกุตระไปแล้วแต่ว่าทํายังไงคุมมันได้มันจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่มีการเกรลีย้ยลี่ยรายได้กันไปให้แพร่หลายอย่างน้อยที่สุดประชากรระับรากญ้าเนี่ย มีอยู่มีกินแล้วพออยู่พอกินมีอยู่มีใช้พอสมควรไม่ได้ปล่อยให้พี่น้องเราอดอยากปากแข้งเดือดร้อนกันอยู่แล้วก็วกคนร่ารวยก็อยู่ดีมีสุขเสื้อเหลือกํำลังแนะคือสังคมอย่างเนี้ถ้าเราใช้บทเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยรเราจะพบว่าอินเดียไม่ใชจีนเนี่ยเจอบ่ออินเดียก็เจอบ่อยประวัติศาสตร์เราดูวรรณคดีของจีนเนี่ยหลายครั้งที่ ประชาชนลุกือขึ้นแล้วก็บุกช้างหลวงเพื่อแย่งเอาข้าวข้าวปลาอาหารมาแบ่งกันกินถูกเก็บภาษีรุนแรงเกินไปคือมันแปลกใจที่ว่านักบริหารเรียนรัฐศาสตร์มาแล้วก็เรียนที่สำคัญนี้คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนสำเร็จรูปนะฮะเป็นบทเรียนสาเร็จรูป ในยามใดก็ตามโลภมากเกินไปเลยยุ่งทุกคราวแหละที่เคยบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแบบสัตว์มันมันล้ำเส้นของของมนุษย์เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยสัญชาตญาณมนุษย์ก็ออกมาแบบสัตว์เห็นใช้วิธีการยุแย่งเห็นค่าทำลายล้างเพียงให้ได้ครอบครองเป็นอาการโลภะกับโมหะอย่าลืมว่าโลภะตลอดกำกับเขาได้เนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจที่ สร้างสรร์แล้วก็ค่อยๆโตนะค่อยๆโ ต, นะตแบบต้นไม้เนี่ยแต่เราเล่นต้นไม้แบบต่อตามก็โตเร็วหน่อยอะคือถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยมันมีรากแก้วตัวช้าหน่อยแต่ว่ามันมีรากแก้มันแข็งแรงมันมั่นคงไม่ใช่พอเกิดพายุแล้วก็ถอนถอนหมดเพราะมันไม่มีรากแก้วเดี๋ยวเราเห็นกันอยู่เนี่ยแต่ว่าคนก็ชอบวิธี ง, ง่ายๆก็ไม่รู้จะไว้ยังไง โทษศทธาแรงเนี่ยก็ล้างผลาญกันเมื่กันบางทีเขียนค้าล้างผอพันกันอย่างนิ้เลื่อล้างผอพันอยู่เนี่ยก็ก็มีเยอะส ง, สงครามยกยกตัวอย่างสงครามค ร, รูเสดเป็นอัยยศในทางประวัติศาสตร์ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าใช้าศาสนาเป็นเงื่อนไขในการทำสงครามกันเรื่องที่น่าคิดนะ ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันมันเริ่มจากคริสร่วงสองร้อปีนะเ็ดครั้งรบใหญ่ๆตายกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายพัดพ่อพัดแม่เราเห็นภาาติกเด็กที่เป็นเยือของศึกสงครามในแต่ละยุคแต่ละสมัยนีย่มันอะไรกันหนักหนานะมนุษย์เนี่ยแต่นี่คือโทสะโมหะหรือโลภะโมหะคือโลภะมัพ ร, มพร้อมโทสะนะฮะ หมาความว่เราต้องการครอบครองถ้าเราไม่ได้จะเกิดโทสะแล้วจะทําเลวร้ายมากยิง่งขึ้นนั่นคือโมหะงมงายร้าเหตุผลไปทําทําไมล่ะโมหะโทสะถ้าเรากํากับควบคุมได้นี่คือความฉนะับไวเนี่ยมันคล้ายปัญญานะ่ยโทสะเนี่ยแต่เราจะเห็นว่าโทสะจริตก็คล้ายกับพุทธิจริตเพิ่นถ้าถ้าเรากํากับโทสะไว้ได้นี่คนนี้จะ ฉับไวว่องว่องไวเ ป, ปรียวมีความเชื่อมัน่นเป็นปัญญาคิดเร็วแต่สินใจเร็วมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจเป็นนักบริหารชั้นดีนะครับแต่อย่าให้รู้อำนาจเกิดโทสะโมหะเป็นกิเลสประเภทรักษาเป็นกิเลสประเภทรักษาอานุรักษ์นะฮะพวกอนุรักษ์ทั้งหลายเนะี่ย แต่ถ้ามากเกินไปก็งมงายร้ายเหตุผลร้ายสาระทีนี้มันทำยังไงว่ะปรับไปความสมดุลให้ได้มันต้องเพิ่มเหตุผลสติปัญญาเข้าไปคือถ้าเราลดที่ตัวบุหะได้ในอย่างอื่นมันจะลดเพราะระบบการศึกษาทั้งหลายเนี่ยทือทำยังไงว่าเราอย่าไปเน้นในการประกวดประขันในด้าน ความเป็นผู้เลิกทำวิชาการกันจนไม่ได้มองว่าสาระท่าของการศึกษานั้นคนจะต้องเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมระบบการคิดการตัดสินใจการสื่อสารการกระทำทั้งหลายเนี่ยการเป็นสมาชิกต่างๆภายในสังคมคือลองสังเกตว่าบ้านเราเนี่ยคนระดับด็อกเตอร์ระดับศาสตราจารย์มาด่ากันเหมือนพ่อค้าแม่ค้าต่างกกลางตลาด รานึกไม่ออกอ่ะมันเรียนหนังสือขึ้นมาอย่างไงอ่ะเราทําไมคนขนาดนี้ยังมาพูดจาอย่างนี้เยาะเย้ยถากถานกันแหนกันแหนนะใส่ร้ายป้ายสีแล้วรู้สึกภาคภูมิที่ได้ที่ได้ด่าทอคนอื่นอย่างนั้นน่ะนั่นคือไม่ใช่วิ ช, ชาฮนะในจริงมันเป็นอวิ ช, ชาแต่ก็ไปเข้าใจว่าเขานั้นมีวิ ช, ชา วิชามันต้องดับอวิชานะอย่าลืมวิชาต้องดับอวิชาต้องไม่ใช่คือไม่ถึงกับดับเหมือนกับแสงสว่างต้องลดความมืดลดมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ตามปริมาณของแสงสว่างเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเกิดมาจากความมืดคือตัวโมหะโมหะก็คืออวิชาเราะฉเราเห็ น, นว่าโมหะนั้นเป็นอาการของความมืดบอดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ พันพระพุทธเจ้าจึงส่งแสดงว่ามันจะเบียดเบียนจะทำให้เสียหายจะทำให้พินาศเพราะถ้าเกิดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดกากลับไปไม่ได้ดังนั้นจึงทรงสดุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าโลภโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในตนย่อมฆ่าบุคคลผู้ใจบาปเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น คือไม้ไผ่เนี่ยพอออกขุยแล้วเนี่ยมันมันใช้งานได้ใช้งานได้เพราะ ง, งั้นคนก็จะตัดเอาไม้ไผ่เหล่านั้นไปก็ปรเรียกว่าขุยไผ่ไปฆ่าต้นไผ่เหมือนกับลูกกล้วยนะเห็นไหมกล้วยเนี่ยพอออกเครือพอจะโยนจะสุกแล้วแม่ถูกฆ่าเหมือนบาปบาปที่เรา ท, ท, ที่ที่จริงที่เราเดือดร้อนเนี่ยเพราะเราเป็นหลักกันแนละ้วแต่เราก็ไปโยนให้คนอื่นที่จริงแล้วเนี่ย บาปที่เกิดขึ้นในตน ท, ที่ในที่นี้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอัตสมภูตาคือเกิดแล้วในตนก็หมายความว่าผลของตัวเองย่อบเบียดเบียนคือทำให้ต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแกนคือไม้ไผ่เนี่ยหรือว่าไม้อ้อนเนี่ยพวกเหล่านี้ทั้งหมดให้พินาศเพราะฉะนั้นอากุศลละมูลทั้งหลายก็คือเบียนคือทาให้พินาศฉะนั้น เพื่อนรเลนี้จําเป็นที่จะต้องควบคุมแต่ทีนี้เราเราเรียนจนจนยาวคือสืสารที่ไปที่มาไม่ค่ยได้แล้ ว, ลวทํามัยเห็นว่าแค่ๆค่กรุบ ม, มันมันมันมันเยอะมากมา ก, มากอ่ะคืออย่างที่บอกว่าพวกนี้เป็นรากเง้าเป็นรากนะเป็นรากมูลก็คือรากก็เรียกรากเง้าวของอกุศลทั้งหลาย มันมาจากสามรากนี้ไม่รู้จะพูดอะไรก็ตามนับไปเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้ก็เลยกิเลสพันหเนี่ยพอเราจับจริงๆก็คือโลภะตัวสามหงค์เฮียนโดยหยาบรางละเอียดเนปะอีกเรื่องหนึง่งเช่นความโลภอย่างเงี้ยบางทีท่านเรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะคือเพ่งเล็งโลภอยากได้อย่างนั้นก็อยากได้อย่างนี้ก็อยากได้อย่างน้อก็อยากได้มันอยากจนตาลุกวาวมากเกินไป แต่ว่าเป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้วแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นได้ทางแววตาทางสีหน้าแต่ไม่ถึงกับลงมือทํานะฮะถ้าลงมือทํามันเป็นอกุศลไปแล้วมันเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นระดับการการผิดศีลนะในที่นี้เป็นการสะท้อนออกมาเลยหมายความว่าเริ่มต้นที่ตรงนี้แหละคือสาวกลับไปดูไอ้รากเง้าวของความเลวร้ายทั้งหลายในโลกนี้มันมาจากตรงนี้แหละ ที่อะไรการเกียดครึ่งหึงสาพยาบาทคิดว่าชาติก่อนกรรมทาชะไหนกงเกลียนกมเกียนวนเวียนไปเนี่ยที่ที่ฤษีก็แก้วพิศดารนักพูดเนี่ยก็เห็นว่ามันมันไม่มีอะไรเลยนะเรื่องเรื่องพระภัยมณีเนี่เรื่องผู้หญิงสองคนแย่งผู้ชายกาันอุตลุดไปหมดยุ่งไปหมดเลยและเราก็นิยมชมชอบพระเอกในลักษณะนั้นอยู่ด้วย เพราะนันตามบรรพชายุคโบราณเนี่ยได้ใจเลยก็มีเมียบางทีเยอะมากๆปัญหาเหล่านี้น่าจะหมดมันไม่หมดหรอกนะตราบใดที่มนุษย์ยังมีราคะโลภโทสะมหะอยู่แต่ว่าประการสำคัญว่าทำยังไงเราจะสำนึกที่สำนวนครูเจ้าสงฆัใช้คว่าโทษโดยความเป็นโทษอดไรที่คือโทษแต่อย่าลืมว่าอุปมาเหมือนไฟ ไฟเนี่ยเราจําเป็นต้องอาศัยมันแต่เราต้องควบคุมมันได้ควบคุมปริมาณควบคุมความร้อนมันได้ว่าในกรณีเนี้ยใช้ความร้อนขนาดไหนในกรณีที่ใช้ความร้อนขนาดไหนกรณีนี้ใช้ความร้อนขนาดไหนถ้าเราคุมมันได้เนี่ยคือเราขาดไม่ได้เพราะไฟมันเป็นธาตุอะมันเป็นหนึ่งในธาตุทั้งหลาย คนโลกเรายังยังต้องอาศัยไฟอยู่กิเลสมันก็ต้องอาศัยนะเพราะจริงๆเราจะเห็นว่ากิเลสประเภทโลภะเนี่ยก็คือก็คือพระพรหมอนะผู้สร้างกิเลสประเภทโทสะเป็นพระศิวะคือผู้ทําลายกิเลสประเภทโมหะคือพระนารายเป็นผู้ทารุนรัสะเห็นไหมันมั น, ม, นมันก็มาจากอะไรเป็นอุ ป, ปาดทาิติภังคะอุ ป, ปาดัิติภังคะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นอาการซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะฮะว่า ไอ 3, 3, 3, 3, 3, ้สามสานี่แปลกมากสามสามสเนี่ยของฮินดูกลายเป็นตรีมูรติของคริสกลายเป็นตรีเอกานุภาพของเรากลายเป็นรัตนไตรเป็นอกุศลลมูลสามเป็นกุศลลมูลสามเป็นใจศีขาสามเป็นบุญยัคริยาวั 3, ตถุสามอะไรต่สามสามสาานี่สำคัญเลย ว, วนอยู่ตรงนี้นะวนอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามหรือว่าจะเป็นปัจจัยของการและการก็ตาม พันธุระจะประเด็นได้ว่าปัญหาทั้งปวงในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากราคะโลภโทสะโมหะที่เกิดขึ้นแล้วคนไม่สามารถกำกับควบคุมความรุนแรงของมันไปได้แต่ยานใดที่เรากำกับควบคุมไม่ได้ก็เป็นโลกที่อยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขพอสมควรทุกทางเท่าไรเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี